ฉะนัน้นแม้พิจารณาเราพุทธคุณที่ย่อเข้ามาเด่นจับปัญญาคุณเราไปสุดที่คุณประตูนาคุณเรียตามบทนโมพิจารณาในประตูณาคุณเราไปสุดที่คุณประปัญญาคุณ ดังนี้ก็จะทำให้มันเกิดสัจจาในความรู้ของผุ้ศึกษาเรียกอย่างง่ายว่าเชื่อความรู้ของครูยังไม่หวั่นไหว สัจเห็นีเหนสีคือสัทธาหรือสัทธาภลาง่งกำลังคือสัทธาในขอ้อที่สองเินสีคือวิญยาณความเพียน ว่าบุญญาภรกักำลังคือพรรคก็การอธิบายไว้โดยมากว่าเริ่มความเพียรเพื่อ ละกุศลทั้งหลายเพื่อทํากุศลทั้งหลายเกิดขึ้นตมีกําลังไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายในบงังรังกดดันยอกเอา เกียนในสมมติฐานทั้งสี่ในบางครั้งก็จัดรวมกันทั้งสองอย่างบางครั้งก็แยกกันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าก็มีอัตถกขึ้นในความึงความเพียน เพื่อละเพื่อเพื่อละอักุนสเพื่อตับุตรส่ให้เกิดขึ้นหรือว่าวาปเขียนที่เป็นสมปาปัตสีเช่นเดียวกันอกขอสามยินสีคือสติและระระคือสติ เราจะตัดิบายพูดทั่วไปเรวมมีสติประกอบสติอันเป็นเครื่องรักษาตนระลึกลึ ก, ด ก, ด ก, ดกได้ถึงการที่คำคำที่พูดแม่นานได้ หรือาการชีอาสติปัฐานนั่นสี่บางแห่งก็จัดอย่างใดอย่างหนึ่งบางแห่งก็จัดรวมกันสองอย่างแต่ว่าแม้ว่าจจัดโดยทั่วไปหรือว่าระบุเอาสติปัฐานนันสี่ก็มีความอย่างเดียวกัน มาข้อสอินรีคือสมาธิและพลัตคือสมาธิากาจดอธิบายถึงสมาธิโดวทั่วไปหรือสมาธิที่เป็นอปปนาสมาธิโดยตรงคือฌานสี สมาธิตัวทูปันนั้นก็คือตรัสรู้ว่าธอทำการวางอารมณ์ได้สมาธิได้จิตเตะตัคตาคือความที่คิดใจมียอดเป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นอันเดียว บางแห่งมันรัดแยกกันบางแห่งมันรัดรวมกันในขรอสมาธินี้คิดรัดโดยทั่วไปนั้นก็อาจจะหมายถึงสมาธิเบื้องต้นตรวมก็ด้วย จะติถึงอัปนันสมาธินั้นก็จดจงเงไปอัปนานสมาธิที่ฉันในข้อห้าอินทรีย์คือปัญญากับพละือปัญญานั้นรับอธิบาย ถึงปัญญาในพุทธศาสนาสทั่วไปคือปัญญาในพุทธศาสนานั้นมุ่งถึงปัญญาที่รู้ถึงความเกิดความดับ ค่นนานนยามารรปนี้ของทุกๆคนและทั้งภายนอก้งที่มีใจครองถ้าไม่มีใจครองเมื่อเป็นสังขารคือสิ่งะสมปรงปุงแต่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดจึง เ, เป็นปัญญาที่จอบแทง ลงไปเห็นความเกิดดับจอดแทงอะไรเมื่จอดแทงโมหะความหลงเอาวิชชาความไม่รู้เมื่อจอดแทงอวิชชาโมหะได้บัญญาติอภุดขึ้นเห็นเกิดดับในสังขารทาั้งหลาย เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นปัญญาที่ทำให้ถึงความเทุกข์ได้เป็นปัญญาที่มุ่งหมายในพุทธศาสนาทั่วไปต้องการปัญญาดังนี้และในบางแห่งก็จะระบุปัญญาในอภิสั์ทั้งสี่ คือทุกเหตุคือทุกความและทุกทางปฏิบัติแห่งความรับทุกข์บางแห่งก็แบ่แยกกันบางแห่งก็จับร ว, วมกันทั้งสองอย่างก็จะนั่ง เอ5ซห้ากับพละคานี้จึงมีข้อธรรมะเป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าหมดหนึ่งนั่นมุ่งเป็นเอินซีคือเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนืออคุณธรรมทางหลายที่ตรงกันข้ามอีกหมดหนึ่งคือพละ มุ่งถึงเป็นกำลังหรือเป็นพลังใดอันยิ่งใญปราบปรามอิเลสหรืออกุศลธรรมในตรงกันข้างอย่างเช่นมา คือศรัทธานั่นเป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อพลังคือสรัทธานั้นเป็นพลังที่ปราบปรามความไม่เชื่อลงได้กำจัดความไม่เชื่อได้จินใจคือวิญญาณความเขียน เป็นใหญ่เหนือความเกียดก้านพละกำลังคือความเพียรเป็นพลังเป็นกำลังสาหรับปราบปรามความเกียดกร้านอินทรีย์คือติเป็นใหญ่เหนือความลลงลืมสติ ความเ พ, พลิสติพละงกาลังคือสติเป็นเครื่องปราบปรามความหลงลืมสติเอนเตอคือสมาธิเป็นใหญ่เนือความผุ้งสางแห่งจิต กำลังคือสมาธิเป็นเครื่องปราบความความมุกงตาแห่งกิตอินทรีย์คือปัญญาเป็นเครื่องเป็นใหญ่เนืออวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงคือเอาผิดพราะกำลังคือปัญญาเป็นเครื่องปราบความ ทำลายฮววิชาโมหะเพราะฉะนั้นจึงต้องแบง่งแบ่งเป็นสองหมวดเป็นอินทรีย์หมวดหนึ่งเป็นอลั์หมวดหนึ่งเมื่อพิจารณาดูถึงบุคคลในโลกนี้ บุคคลผู้เป็นใหญ่ก็จะต้องมีพลาัาขึ้นกำลังถ้าไม่มีพละงขึ้นกำลังก็เป็นใหญ่ไม่ได้แย้ถ้าไม่มีความเป็นใหญ่ก็มีพละกกำลังไม่ได้ เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งคู่นี้จึงได้กาัอธิบายไว้ว่าต่างอาศัยซึ่งกันและกันอินเสียคือศรัทธาก็อาศัยภรรคือศรัทธาภระคือศรัทธาเราต้องอาศัยอินเสีย์คือศรัทธา อีกสิงข้อ่เช่นเนดียวกันและแม่กัปมุมาไว้ถึงว่าทำไมขี้ต้องแยกออกเป็นสองหมวดดังนี้ด้วยแม่น้าสานเดียวที่ไหลไปตางทิตะ ว, วันออก และได้มีเกาะเกาะหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำเมื่อน้ำไหลไปถึงเกาะ น, นั้นก็แยกเป็นสองสายเมื่อสุดเกาะนั้นนั้ น, นก็รวมเป็นสายเดียวกัน เพราะฉะนั้นธรรมสองมวนนี้ที่กล่าวได้ว่าเป็นแม่น้ำสายเดียวกันเป็นทางเดียวกันแต่เมื่อถึงตกอก็แยกออกไปสองสายเป็นสาย้างสายสาย ทางซ้ายสายหนึ่งข้างขวาของเกาะสายหนึ่งตั้งแต่เรือก่อจะมันท้ายก่อแยกเป็นสองสายหรือแยกเป็นอินทีสายหนึ่งเป็นพรรยาสายหนึ่งและเมื่อสุดเกาะแล้วก็รวมเป็นสายเดียวกัน ทั้งภพภพอีกก็แยกไปสองสายผลเกาะแรกก็รู้มันใจเดียวกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบมมัติธรรมกจะต้องต่อสูอ้กับกิเลสสมัยมักคือกิเลสไม่คิดใจ ด้วยธรรมะหังธรรมะในหมวดโพธิปัิยธรรมนี้ปฏิบัติในมูลสติปัฏฐานนั้งสี่เป็นหลักโดยที่ต้องอาศัยสมาปัฏานในอธิบัติเป็นอุปการะทมในการปฏิบัติสติปัฏฐาน และเมื่อพบอก็คือเครื่องขัดความการปฏิบัติดึกเปรียบเหมือนก้อนที่เกิดกลางม่น้ำทำให้ม่น้ำแยกเป็นสองสายเดิมตงแยงกธรรมะนี่ออกเป็นสองสายและอินทรีที่เป็นใหญ่ คือต้องรักษาสรัทาเป็นต้นให้เป็นใหญ่หรือกิเลสและต้องมีพละคือกำลังก็มีศรัทธาเป็นต้นในเองเป็นกำลั ง, ลงที่จะบําราบกิเลสรมัดมั่งไปเมื่อเป็นใหญ่ก็ถือว่ามีพละคือกำลัง แล้วก็มีพลังหรือกำลังก็คือว่าเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความเป็นใหญ่กับความมีพลังหรือกำลังต้องคู่กันไปในคราวที่พบวีเรธสมัยอาจจะก็ปราบปรามสึ่งขัดขวางการปฏิบัติธรรมะ มีความเป็นใหญ่ต้องมีพลังหรือกำลังคือต้องมีความใหญ่หนึ่งนะกิเลสมัยต้องมีพละกําลังที่จะปราบกิเลสมัยลงไปได้เป็นจากรสวัตดิ์หนึ่ง จ, จากจิเลสสมายที่มาขัดขว า, วางแล้วก็ดาเนินการปฏิบัติต่อไป คือต้องมีธรรมะอาขอยนี้เองต้องมีศรัทธามีวิทยามีสติมีสามาธิมีปัญญาพระพุทธเจ้าได้ต ร, รัสยกอินสียาจึงเป็ น, ปนอิจฉาเมื่อมันจะสมัคสมานอินสรียานี้ให้บริบูรณ์แล้ว ก็สำเร็จเป็นพ ร, ร า, หารหัตได้ย้อนกว่านั้นก็เป็นพระอนางคามีย้อนกว่านั้นก็เป็นพระสกท า, าคามีย้อนกว่านั้นก็เป็นพระโสดาบันย้อนกว่านั้นก็เป็นอุปฏิบัติธรรมเรียกว่าสัทธานุสรีมีสัทธานะ ย้อนกว่านั้นก็หมายถึงก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าธรมาา ร, มธรมานุสารีมีธรรมะนำธรรมะ ก, ก็เป็นธรรมะทางปัญญาย้อนกว่านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสัทธานุสารีมีสัทธานับ พราฉะนั้นธรรมะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึง อ, อบรมให้มีขึ้นเป็นพื้นอยู่ในตนอยู่เสมอขาดไม่ได้ั้อที่ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสนับสนุมีปัญญาตร้งแตต้นไปโดยลำดับ ตอไนี้ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำคนามสงบสิขต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่าน ตั้งใจงอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคตรารหันรสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสารณะนะ ตั้งใจสำ้รวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพอ ท, ที่ปักฏิยธรรม สามสิบเจ็ดประการซึ่งประกอบด้วยธรรมะเจ็ดหมวดและได้แสดงมาแล้วโดยลำดับคือสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ อิติบาทสี่อิน 4, 5, ทสี่ห้าพระละห้าจึงมาถึงหมดอดองเจ็ดและหมดอดองเจ็ดนี้หลวงพุทธเจ้าได้ตรัดรวมไว้ ในหมดธรรมานุปนัสฐานในมหาธุปัานทั้งสี่ในหมดธรรมานุปัฏนานี้ทรงจแสดงเริ่มเลยผลคง ทรงสแสดงเริ่มด้วยนิวรณห้าขันห้าอายตันนัแลลกกินสแสดงพคตรคงเกต แสดงในหมวดธรรมานปุปัสสนานั่งกล่าวแล้วก็ทรงแสดงในหมวดโอทิปปิกญยธรรมนี้ด้วยต่อจากภะละฆา ในหมดโอ ท, ทิปคียธรรมสามสิเจ็ดประการอันประกอบดปทยธรรมเจ็ดหมดเหล่านี้สติตประคานสี่ซึ่งทรงแรงไว้เป็นหมดแก่ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักยืนในบึงต้นและในการปฏิบัติในสิบประธานทั้งสี่นี้ก็ต้องอาศัยสมประทานสี่ อิทิบาทสีอินสีห้าพละหาและเมื่อสิทวิบัตฐานเนี่ยอาศัยธรรมะเหล่านี้สติ ซึ่งเป็นสติปัะฐานนั่นก็เลื่อนขึ้นเป็นพจนอง์เจ็ดหากว่าจะแสดงแต่ชื่อของหมดธรรมโดยไม่จำแนก อี่ยทุกข้อนักล่้าได้ว่าในการปฏิบัติสัางสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมะในจิต การปฏิบัติอานสยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นและทรงแสดงแนะนำไว้จับเริ่มตั้งแต่ อันนาปานกติสติกับอารมไม่ใจเขาออก